พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจกวัดอุรันธานีสแสดงธรรมในวันที่7ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำเหล็กให้เป็นสแตนเลสวันนี้เป็นวันที่7 ตุลาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันขึ้น14ค่าเดือน11แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาประวารณาของพระสงฆ์วันนี้เป็นวันปุ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันประวรณาออกพรรษา แล้วก็ออกพรรษาวันที่แปดวันที่สิบสองก็เป็นวันกระถิ่นของพวกเราพันธงขอแจ้งข่าวหรือบอกกล่าวกันคงจะทราบทวนทั่วกันลั่นและแล้วก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะออกพรรษาหรือไม่ออกพรรษา หลวงพ่อก็อยากจะย้ําเตือนพวกเราเหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะออกพรรษาแล้วแก่เจ็บตายก็ไม่ได้ออกไปด้วยอยู่กับพวกเราอยู่ตลอดแล้วก็ที่ผ่านๆมาหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่แล้วเกี่ยวกับวิยัยเกี่ยวกับกฎระเบียบยเมื่อวานนี่นก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง ภวรณาออกปรรษามีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็พูดเกี่ยวกับกฎระเบียบพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันแนวความคิดเห็นยกพระฉันนะขึ้นมาเป็นให้พวกเราได้ศึกษาแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาทำไม จึงได้พูดเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนาเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพองค์เสด็จออกไปบวชบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อเป็นไปรักษากฎระเบียบไปรักษาศีลและวินัยเพียงแค่นั้นเหรอไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือท่านไปไปศึกษาเรื่องจิตภาวนา เรื่องจิตวิญญาณเรื่องความรู้สึกที่ท่านท่านได้ตัดสู้นะั้นท่านได้ตัดสู้อะไรท่านได้เรียนจบ ก, การบริหารจัดการในการเป็นอยู่บริหารคณะศิษยานุสิตอย่างนั้นเพียงแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่คือท่านเอาท่านชำระใจของท่านซะก่อน มเมื่อท่านเอาใจของท่านชนะใจของท่านชําระใจของท่านบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วส่วนอื่นตามมาทีหลังนะให้พวกเราเข้าใจนะจุดใหญ่ของหลักธรรมคำสอนหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรื่องของใจท่านไปชําระใจทําชําระนามธรรมที่โคลนต้นโพ ถ, ถ้าเราศึกษา แนวทักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าหลักของพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าตัวนั้นเป็นใหญ่ตัวนั้นเป็นหัวหน้าตัวนั้นครอบจักรวาลตัวนั้นแปลว่าใหญ่สุด เในตัวแต่ละบุคคลแต่ละคนจะดีหรือจะชั่วอยู่ในตัวนั้นทั้งหมดเรื่องกายวาจาเป็นบริวารในเมื่อเป็นบริวารแล้วนี่มาบริหารหลวงพ่อเนี่ใช้กายวาจาของหลวงพ่อมาบริหารความมอบริหารบริหารวัดวาศาสนาคณะสัทธายาจโยมสิทธยานุศิษฐ์ที่อยู่ใน กายวาจาของหลวงพอ่อพวกท่านก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนอว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่แหละสรุปแล้วก็คือใจของหลวงพ่อเนี่ยขึ้นมาก่อนนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้ศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ เพราะนั้นเราจะไปพูดแต่อย่างอื่นพูดแต่เรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอาหารการบริโภคเรื่องปัจจัยสี่อันนั้นเราพูดแบบท่าพูดไปแล้วกันนะคล้ายค้ายกว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็คือพูดถึงรากแก้วรากฝอยแล้วก็เ น, นนะเรื่องใบอ่อนใบแก่ของต้นไม้แต่ตามไม่จริงถ้าพูดเรื่องภาวนาแล้วพูดถึงรากแก้ว ลากแก้วที่มันอยู่ได้แล้วก็แก่นแก่นของต้นไม้ที่เป็นสาระประโยชน์ที่สุดต้นไม้ตันนั้นอย่างไม้ประดูมะค่าตะเคียนทองเขาจะต้องเขาอยากจะได้แก่นเขาก็ต้องดูว่าต้นไม้ต้นนี้มีแก่นไหมต้นมันลักษณะอย่างไรต้นไม้มีแก่นอันนี้ก็เหมือนกันใ น, นหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องของ ของแก่นเรื่องของต้นไม้แล่ต้นไม้ก็นักเน้นถึงแก่นรือว่าเน้นถึงรากแก้วในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องรากแก้วของพุทธศาสนาเราก็ต้องยกบรมครูก่อนพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะ่ะท่านทำอย่างไรอันนี้เรามองข้ามไม่ได้เพราะท่าน เป็นบรมครูท่านได้ตัดรู้แล้วท่านรู้แล้วท่านจึงได้นําพระธรรมคสสรําสอนออกมาเลียวพระธรรมคือคําสอนพระธรรมคือพระองค์ได้ตัดรู้แล้วในเรื่องนั้นที่พระองค์ได้รู้แล้วนะ่ะออกมาเป็นคนําสอนคําสอนก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านตรัสออกมาแล้วพระสงฆ์ก็นำธรรมคําสอนที่ท่านได้บอกกล่าวได้ตัดออกมานั้น มาบอกให้พวกเราขยายผลออกมาตั้งแต่ครั้งแรก 2,557 ปีจากนั้นจากวันนี้ไปถึงวันนู้นนี่แหละยาวนานอันนี้กค็คือที่ท่านได้ตัดรู้คืนทะี่ท่านได้ตัดรู้นั้นท่านทํำยังไงท่านก็ทดลองเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์หรือว่าทดลองอันไหนก็ตามที่แพทย์หรือหมอ ทดลองยาทดลองเกษตรทดลองอต่างๆเราจะจะได้น้ำมัน เ, เราอยาจ ะ, จะอันไหนมันดีที่สุด อ, อันนี้พระพุรองค์ก็นเนี่ยท่านก็มองดูทีแรกท่านก็อดประกาหารถึงสี่สิบเก้าวันแล้วทำอะไรทุกอย่างโอ้ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วโอ้หน้าอ่อนใจเหมือนกันนะ เออเพราะเหตุไรเพราะท่านเดินไปแล้วมันไม่ใช่ถอยกลับเพราะท่านไม่ท่านมาน ไ, มได้ศึกษามาจากที่ไหนเ อ, อจากนั้นท่านก็ไปศึกษากับดาบอ ท, ทั้งสองที่อยู่ในละแวกนั้นเข้าไปศึกษาในละแวกนั้นท่านก็ไปศึกษาดูอันนี้ไม่ใช่มันเพียงสมาธิเท่านั้นเองสมาธิก็คือทําจิตใจให้สงบ อ, อจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่ง เหมือนกับหินทับยาไว้ท่านเองถ้าเปิดหินขึ้นมายามันก็โผล่ขึ้นมาอีกยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนอันนี้ไม่ใช่ทางพระ อ, องค์ก็ถอยกลับคืนอีกทดสอบค้นคว้าตามลำพังอีกท่านค้นคว้าตามลำพังพระ อ, องค์แต่พระ อ, องค์ล้ำลึกชาและลึกได้ท่นีสมัยเมื่อพระ อ, องค์เป็นหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มเป็นกุ ม, มาร กุ ม, มารก็คงจะเป็นอายุสี่ห้าปีนมัเป็นเป็นพระราชกุ ม, มารไปแลกนาขวัญกับพระบิดาคือคือพระเจ้าแป็นดินยุคนั้นสมัยนั้นการทำนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าว่าพระเจ้าแป็นดินไม่ได้ใส่ใจในการทำไร่ทำนาประสบชาวบ้านเขาทั้งหลายเขาก็ขี้เกียจทานาพอขี้เกียจทานาแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงพอคนในชาติทุกคนก็ต้อง กินข้าวทานอาหารกินข้าวเพราะนั้นเป็นประเทศที่ยากจนเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ใส่ใจในการทําการเกษตรเนี่พราะเจ้าประเดินท่านลงทุนเหมือนกับเมืองไทยของเราแลกนาขวัญลักษณะนั้นคือถือเป็นประเพณีมาตั้งแต่ดึกดําบรรดแต่พุทธศาสนาในท่านแลกนาขวัญท่านไปแลกในนาจริงๆในไปในท้องนาจริงๆ อันนี้คือนาของพระเจ้าแผ่นดินอพอถึงเดือนหกท่านก็หาวันแล้ไปแรกนาขวัญพระเจ้าสุดโทธนาก็พร้อมกับบริวารแต่สมัยนั้นก็คงจะไม่มีเต็นมีแสลนหรือว่ามีอย่างพวกเราท่านก็ไปพอไปถึงชายทุ่งทุ่งแล้วก็พระเจ้าไปด็ดีลงทําทําพิธีแลกนาขวันจากนั้น สิทธัตถะเนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มพระมารดาก็สวรรณคตตั้งแต่อายุเจดวันแัะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกสลมกำนันแม่เลี้ยงนางนมจะต้องดูแลพระ อ, องค์จากนั้นก็พวกนี้นก็พวกแม่เลี้ยงนางนมแล้วก็เสด็จไปด้วยพอไปถึงโคนต้นว่านคือต้นว่าใหญ่ที่ติดอยู่ชายทุ่ง ที่ใช่ท้องนาอยากนั้นก็ปูที่นั่งที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิทธิธาเขาคงจะตื่นตื่นแต่เช้ามั้งพระองค์ก็คงจะงัวงเงียนอนอยากจะนอนแต่นีนี้ทางพี่เลี้ยงนางนมก็จัดสถานที่ให้พระองค์พักผอนนอนจากนั้นพระเจ้าจุดโทตนะกับบริวารลงไปก็ไถนาทำพิธีแรกนาขวัญ พวกสนมกำนันก็อยากจะไปดูเฮโลกันไปดูอไปดูไปยืนดูก็คงจะไม่ไกลเลยจิตถะท่านก็นอนพักอนอนหลับตอนี้เห็นพวกพี่เลี้ยงนางนมหายไปหมดท่านก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาท่านก็เห็นมองใช้มองขวาไม่มีใครมาอยู่ใกล้ท่านกับลูกขึ้นมากันนั่งคัดสมาธิ นั่งคัมาทิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นก็ท่านก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกพระไทยใจของพระองค์รวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งจากนั้นพอแลกนาขวัญอะไรเสร็จสนมกํานันพี่เลี้ยงนางนมกับอา้าใครอยู่กับพระลูกเจ้าออ ไหวห็พระลูกยาวนั่งอยู่ตามลําพังพอเข้ามาแล้วกันแดดแดดที่มันส่องเข้ามาในต้นว่า ท, ทั้งที่แดดนั้นจะมาส่องมาถึงสิท ธ, ธัตถะพระราชกุมารแต่ตอนนั้นต้นว่าตอนนั้นเหมือนเรากางมุ้งนะเหมือนกางมุ้งล้มล้มต้นว่าลงตรงไหนแปลว่าลงตรงนั้นแดดเข้ามาถึงจุดนั้นไม่เข้ามาถึงพระราชกุมารอันนี้เกิดเป็น เรื่องอัจารย์ของคนในยุคสมัยนั้นคล้ายๆกัามีอะไรกั้นบังไม่ให้แดดส่องเข้ามาถึงสิทธะอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกที่ท่านได้ตัดไว้อย่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็รู้เลยว่าการที่ทำสมาธิหรือว่าทำจิตสงบแต่ทำไมทาไมสิท ธ, ธจะจึงทำได้ พวกเราคงจะสงสัยเป็นเด็กขนาดนะั้นทำไมจึงคิดได้ทําได้อย่างนั้นเพราะว่าพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ว่าปุเพนิวาสานุจติยานคือชาติทุนหลังพระองค์เคยเป็นลือีศรีไพรเคยเป็นนักพรตนักบวชมาแล้วมากต่อมากไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติแต่ท่านอุปนิสัยจุดนีนะ้ฝังอยู่ในพระไทยของพระองค์ ฝังอยู่ในจิตใจของพระองค์เออเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายยามมาสร้างบุญสร้างกุศลในภพนิชชาตินี้มันไม่ไปไหนนะแต่มันก็ฝังอยู่ในจิตในใจของพวกเราสง่งสมเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยๆจนบา ร, รมีของเราแก่กล้าขึ้นมาก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลโสดาสกทาอน า, อนาคารหันอันนี้ก็เหมือนกัน จิตถถานี่ท่านเคยสั่งสมบรมีมาตั้งแต่ดึกดําบรรเคยเป็นลือศีชีภัยเคยเป็นนักพรตนักบวชเพราะนั้นอุปาิสัยของพระองค์เนี่ยมันฝังอยู่ในใจพอมีโอกาสว่างเงียบสงบเพราะสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ในในสถานที่เงียบสงบเท่านั้ น, นสถานไหนที่วุ่นวายคู่ขนพุกผ่านวุ่นวาย ส, สมาธิจะไม่เกิดในสถานที่เช่นนั้นใน เมื่อแม่เลี้ยงนางนมออกไปหมดแล้วพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังพระองค์ก็เห็นว่านี่คือสถานที่สงบพระ อ, องค์ก็มองซ้ายแล้วแแหลขวาแล้วก็ลุกมากันนั่งกัดสมาร์ที่ตามลําพังแต่ร่างกายนั้นเล็กก็จริงอยู่แต่พระไทยใจของพระองค์นั้นใหญ่ใหญ่ฮไม่ใช่เล็กบารมีของพระองค์ใหญ่ จากนั้นพอนั่งสมาธิพระไถยใจของพระองค์รวมสงบเน่งมีความสุขจากนั้นพอจนมกนกามนันแแม่เลี้ยงนางนมมาถึงแล้วก็เอาก็แยกย้ายกันกลับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากในพุทธประวัติก็ไม่ได้ยินว่าพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิหรือว่าได้ทำสมาธิต่ออันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดในารายละเอียดอันนี้คือจบไปเลยกเ็เหมือนกับ ท่านไปเห็นเหมือนกับเราหลงทางหรือว่าเราเข้าไปในป่าดงเราก็ไปเห็นแหล่งน้ำบ่อหนึ่งอยู่ในป่าแต่มีจอกแหนปิดคุมจากนั้นก็นลื้อจอกแหนเปิดจอกแหนออกมาก็ดื่มพอดื่มเสร็จแล้วก็ประทับใจโอ้โนหน้ำเจืดเย็นดีอร่อยน้ำานรู้สึกว่าน้ำสะอาดดี แต่นั้นก็ปิดไว้อย่างเก่าก็ไม่ได้สนใจ เ, เพราะว่าภาระธุระของพระ อ, องค์มีมากที่จะต้องสมัยเป็นเด็กก็เรียนหนังสือพออายุห6สิบหขึ้นมาก็ได้เข้าทำพิธีมงคลสมรสจากนั้นกับบริหารประเทศเกับทหารเสนาอํมมาทั้งหลายกับปพุทธบิดาเป็นประธาน แต่ให้พระ อ, องค์เป็นผู้มอบให้ให้พระ อ, องค์เป็นผู้ดูแลราชสมบัตินี่แหละจนถึงอายุยี่สิปีอย่างที่ว่าจากนั้นพระ อ, องค์ได้เสด็จออกไปบวชพอเด็จ ไ, ไปบวชทึงหกปีนี่คืนตัดสูนะ้วันที่ได้ตัดสู้พระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันเดือนหกเพนพระ อ, องค์นั่งแล้วย้อนไปถึงสมัยเป็นกุมาร อันนั้นกำมังอันนั้นกำมังจะเป็นหนทางที่เราได้จะได้่ได้จิตสงบในวันนั้นมีความสุขเหลือเกินคล้ายๆว่าจําไม่ลืมเหมือนกับเราไปหิวน้ํากับหายน้ำนะเข้าไปในป่าดงแล้วก็ไปเห็นบ่อน้ำํำที่ปุกคมคุ้มด้วยจอกแหนแล้วก็กวาดจอกแหนออกแล้วก็น้ําใสสะอาดแล้วก็ดื่มพอดื่มแล้วก็ปิดไว้ ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าภาระธุรกิจมากแต่มาคราวนี้พระ อ, องค์ก็ย้อนไปอืม้มใช่ที่เราได้ทำอย่างนั้นที่คโครนต้นว่าดจะมัยเป็นกุมารอันนั้นกำมังจะเป็นหนทางอาจารย์พระ อ, องค์ก็นั่งในนั่งขัดสมาธิอย่างสมัยเป็นกุมารขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นองค์ไหนท่านผู้ใดก็ตามคณาจารย์ใดก็ตามที่ท่านพูดเรื่องการภาวนากําหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้มีมากมายทุกวันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถูกไหมท่านบอกอย่างถูกเพราะท่านได้รับ ผลมาแล้วท่านจึงมาสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านแต่เราพวกเราอย่าลืมว่านี่คือหลักใหญ่หลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้นั้นบรมครูนั้นท่านทำอย่างไรเราต้องยกบรมครูขึ้นมาเป็นตัวหลักคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นน่ะนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าคือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักจากนั้นปฐัยใจของโป่ง รวมสงบลงเป็นหนึ่งเหมือนสมัยเป็นพระราชกุมารที่โรนต้นว่านะรวมสงบลงเป็นหนึ่งแต่รวมข่าวนี้พอจิตพระไทยใจของพระองค์รวมลงไปแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในช่วงที่ท่านพระองค์ทรงประทับนั่งสมาธนะิและลึกชาติขนหลังได้นะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นวิสัยของพุทธะนะ ระลึกชาติโนหลังได้จากนั้นพระองค์ก็ระลึกชาติโขนหลังว่าชาติที่แล้วเราเราอยู่ที่ไหนจึงมาเกิดที่กรุงกบิลพัทเนี่ยท่านก็บอกมองขึ้นไปเออใช่เราเกิดอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์ชั้นทูติศจากนั้นเรากําลังจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นอื่นเออพรมเทวดาได้ขึ้นไปอาราธนาว่า มารคภีของพระ อ, องค์พร้อมแล้วเราจะได้ลงมาเกิดที่พระครันพระมารดานางชริมหามายาที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าจุตโทธทนะเป็นพระบิดาแล้วก่อนหน้านั้นเราเราเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านั้นเราเป็นพระเวชชน ด, ดคือพระเวชชน ด, ดเป็นชาติจุดท้ายทศ ช, ชาติชาติจุดท้าย ก่อนนั้นเราจะขึ้นไปสู่สวรรค์อยู่ชั้นนี้แล้วออกจากก่อนเป็นพระเวทสันดนดรเป็นใครท่านก็ไล่เลี่ยงไปตามลำแบบับอันนั้นก็คือว่าทศ ช, ชาติห้าสิบชาติห้าร้อยชาติในพระไตรปิฎกพวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเรายืนยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมดีกรรมดีจะตามสนองถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตามสนองเพราะนั้นหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเน้นย้ำว่าความชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่าทำเสรลดีกว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราให ังเอาไว้อันนี้เลยคือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ที่ท่านได้รู้แล้วว่าแต่ละคนมีกรรมของตัวเองทั้งนั้น เ, เพราะนั้นจึงไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันหลังพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในศาลาเป็นมีแข้งขาตีนมือหน้าตาเหมือนกัน เ, เหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะใจแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน นี่ละมันมาออกมาจากใจทั้งหมดออคือร่างกายเนี่ยเป็นหน้าต่างแต่ว่าใจเนี่ยคือเป็นจบของของของบ้านเพราะนั้นท่านจึงใ น, ในหลักธรรมคาสอนท่านจึงเห็นเน้นถึงท่านจะไปนั่งภาวนาอยู่วันเดือนหกเพ็นนั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่าปุเพนว่าออพอถึงเที่ยงคืนก็ จ, จุดูปาปาตะญานระลึกชาติแล้วก็ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสรรพสัตว์ในโลก มีแตกแตกต่างกันกรรมเป็นผู้ให้ผลพอจวนสว่างท่านก็มองรู้อีกทําไมใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมาวกวนเวียนเวียนว่าวตายเกิดในวัฏสงสารมาจากไหนใจดวงนี้่พ่อแม่หรือว่ามันมาจากไหนต้นตอของใจดวงนี้มาจากไหนจากนั้นพระองค์ก็ได้ย้อนย้อนดูพรทัยใจของโป่ง เกิดมาจากไหนใจดวงนี้ทำไมจึงมาบกวนเวียนมาเวียนไหวตายเกิดแต่ละคนแต่ละท่านพอย้อนเข้าไปไปถึงในธรรมที่ว่าปติจสมูบาทอวิชชาปั จ, จยาสร้างขาราสร้างขาราปั จ, จยาวิญญาณ์พอย้อนไปถึงจุดนั้นไม่เลยอวิชชาถึงว่าใจตรงนี้เกิดมาจากตัวอวิชชาคือความโง่ไม่เลยจากนั้นไป เพราะนั้นพระองค์จึงรู้ได้ว่าใจตรงนี้มันเกิดมาจากอาวิชชาคือตัวไม่ไม่รู้ตัวโง่ตัวหลงไม่เลยไปกว่านั้นอแปลว่าอยู่จุดนั้นแล้จบเรียกว่าอวิชชาปัจจะยาอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็นปัจจะยาสร้างข้าราอาวิชชาเป็นบ่อกเกิดแห่งสังขารสังขารเป็นบ่อกเกิดแห่งวิญญาณไล่ลงมา จนมาถึงชาลามระระโศกะปริเทวทุกขโทมานัสุที่พวกเราทุกยากร้องโ hom ร้องไห้พิไรรำพันเกิดแก่เจ็บตายเนี่มันมาจากตัวตัวนั้นตัวอวิชชาตัวอวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราดในเมื่อเห็นอวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราดมันดูใจของเราใจดวงนี้มันสัมปยุทธ์ด้วยอะไรทําไมจึงมีทุกมีโศกอย่างนี้ พระองค์ก็มองดูอีกมองดูในใจของเราเนี่มีกิเลสมันเครื่องคอบงําเหมือนกับเหล็กมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีสนิมอยู่ในเหล็กนั้นเอมันมีสนิมอยู่ในเหล็กนั้นสนิมนันคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงอยู่ในตัวอยู่ในตัวดวงใจนั้นเป็นเชื้อที่จะทำให้ใจนั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆ แล้วก็เวียนไหวตายเกิดในภพภูมิต่างๆคือราคะโทสะโมหะโมหะเป็นพื้นฐานโมหะเป็นพื้นแ ล, กนละก็โมหะและก็าคะคือความกำหนัดความพอใจความทะเยอทยานอยากโทสะคือความโกรธโมโหโกธาความอิจฉาพยาบาททั้งหลายคือตัวโทสะสรุปแล้วก็คือออกมาจากตัวโมหะโมหะเนี่ยเป็นพื้นฐาน ของกิเลสทั้งหลายทาั้งปวงถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงมันก็ไม่รักมันออกมาจากตัวหลงหลงตัวนั้นแหะเป็นตัวสําคัญทรนีพระองค์ก็มองดูดูใจของพระไทยของพงค์เออมันเต็มไปด้วยอยู่ในกิเลสโลภโกรธหลงราคาโทสะพระองค์ก็ใช้ตปธรรมคือเ อ, อมรรคแปดมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วนะ ส ม, มาธิส ม, มาสังกปวาจาระมันตัวอาชีวไวโมสติส ม, มาธิอันนี้คือมรค8แต่สรุปแล้วในมรค8นั้นคือสินสมาธิปัญญาสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสิณสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้คลี่คลายดูว่ากิเลสราคะมันมาจากไหนโทสะมันสาเหตุเพราะอะไรโมหะที่เราลุ่มหลงเพราะอะไร จากนั้นพระองค์ก็ได้ชำระพระไถยของพระองค์ในวันเดือนหกเ่นจวนสว่างตัดกิเลสเทําลายกิเลสโลภโกรดลงคล้ายๆว่าทําเหล็กให้กลายเป็นสเตนเลสไม่ให้มีสนิมอสเตนเลสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสนิมเลยแม้แต่น่อยเดียวแต่เหล็กสเตนเลสของเราเนี่ยถึงยังไงเขาก็ายังมีสนิมอยู่นะ แต่พระไทยใจของพระองค์นี่ไม่มีสนิมเลยไม่มีจิตใจบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็ตไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะในพระไทยของ พ, พระองค์พระองค์รู้ได้ได้ตัดรู้อย่างนั้นพระองค์ประกาศเลยบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นเราชำระออกหมดแล้วนี่ อันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนเหเพนจากนั้นพระองค์ก็ท้อพระไถ่เมื่อได้สําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคลนต้นโพเจ็ดวันอยู่ที่ต้นนิโคดคือต้นไทรเจวัน อ, อยู่ที่ต้นเกตเจวันอยู่ที่สะพุดจรินเจ็ดวันพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขในแถบนั้นถึงสามก็หก หกอาทิตย์และเจ็ดอาทิตย์หลวงพ่อก็จำไม่ชัดจุดนี้แต่ถึงยังไงพระ อ, องค์น้อมพอสุดท้ายเนี่ยเอเอเราเทำที่เราได้ตัดรู้เนี่ยเป็นธรรมทวนกระแสของโลกเราจะไปสอนให้ใครฟังว่าโลกทั้งโลกมันไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ของเรามันทวนเออมันค้ายๆ ค, คัดน้ำขึ้นภูเขาละะักษณะอย่างนั้น่ะ เราจะต้องใช้อะไรมันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำขึ้นผูกมันต้องลำบากเปล่าเพราะกเกเรตชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชอบไปในลังไหลไปในทางราคะคือความกำหนัดยินดีรักสวยรักงามแต่ทำคำสอนของเราเนี่ยร่างกายสังขารเนี่ยเป็นอสุภะปฏิกูลไม่ใช่ของสวยงดงามนะให้แยกแยะดูสิอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงร่างกายนะว่าเป็นของตัวเองนะสงเสร็จสวยงดงามนะ นี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทวนกระแสแต่โลกของเราเนี่ยตกแต่งร่างกายให้เสร็จสวยงดงามจากนั้นก็เกิดกิเลสการมราคะโทสะโมหะเข้าไปครอบงํานี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนั้นพวกเราให้เรียนรู้หรือศึกษาแนวทางพุทธทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศพระธรรมออกมาออกมาจากนั้นพระสงฆ์สาวก ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติยอมรับว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเเมื่อมันํามาปฏิบัติแล้วชําระใจได้จริงทําจิตใจให้สงบจริงที่พระพุทธองค์ตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในเมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้ว มีความสุขจริงจิตใจเย็นสบายมีความสุขจริงๆอันนี้ก็ยอมรับจากนั้นก็ดูอีกว่าตายและเกิดได้ตายแล้วสูญก็พิจารณาดูเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันอีกกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถก็ชัดเจนอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นท่านจึง ได้มาแนะนำสั่งสอนลูกหลานอย่างพวกเราเราท่านท่านขอให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาเามื่อใช้ศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็ใช้ความเพียรวิิยะคือความเพียรการกรองไตรตรองอด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาจากนั้นก็นำมาประพฤติธปฏธิบัติความสาเร็จหรือว่าความสุขกายสบายใจก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลา ย, ท, ลายทุกคน ในวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับวิถีแนวทางพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแนวทางของพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราเพื่อเป็นเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติสําหรับพวกเราตอนน่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร